ลบซุ่นไวอย่างนี้ขอเวลาอีกสิบห้าวันในสามวันดูกองสุ่นดอกปีสุ่นอยู่อะไรอยู่ไม่ได้ผมก็ต้องถอยก็จริงทหานท่งปพลได้ดยลบซุ่นไวอย่างนั้ น, นอีกสิบห้าวันจะรบเห็ดแปดทหารพลก็จริงว่าเมื่อแรกเขายกมาซื้อเมื่อลบคั้งก็ถอยทับไปไปตั้งมันล้มราาได้แล้วจะยกตปรบเขาอีกแปดนั้นเขจะไม่เห็นด้วยลบซุ่นก็จริงว่า คนทั้งตัวไม่รู้การศึกเดยเพราะเจาเราเปี่ยมีความคิดมากแล้วกำลังศึกยกหมักหักมาชนิีเราจะเข้ารับหน้า ก, กเา็เหมือนหักไฟหัวลมมันจะได้บัดนี้เหยีดแล้วทึงยกถอยไปฝ่ายฐานทั้งตัวก็จะเลิมเลิกประมาทไว้ใจ กว่ายกมาแข้งไรเราก็มีออกรบทหาเรเหล่ามันขาดฝึกทั้งตัวงก็จะเที่ยวสุกซ่อมรับนอนหาที่สบายกระแตกระกายกันอยู่เราคอยดูเขาได้ท่วงทีแล้วจะตีหักกระมินเข้าไปนะ่ะเห็นจะได้เดยนงะ่ายบอกสิขีแกงอย่างนี้นายทับนายกองนาฐานผู้ก็เห็นชอบด้วยละและตั้งแต่นั้นมานายทับนายกองนายฐานผู้ใหญ่ก็ตามเธอะ ตางก็เกรงกลัวแปลกวความคิดลกสุ่นอยู่ลกซุ่มก็จัดแจงฐานเกลียนวัดแล้วก็แต่งหนังสือให้คมโรรีบถือไปถวายพระเจ้าสุ่ปกวนเป็นใจความว่าเห็นกำลังพระเจ้าเหล่าปีย่อมลงแล้วบัดนี้ยกถอยไปตั้งอยู่ร่มไม้ริมแม่น้ำในสิบห้าวันนี้ข้าพเจ้า ขอเข้าตีให้แตกไปมีมือสืรคซุ่มมีขามากราบคูณแก่พระเจ้าสู่มกวนอย่างนี้พระเจ้าสุ่มกวนเห็นมือเสือของโรคซุ่มก็ดีใจนะก็สั่งจัดแจงทหารเพิ่มเติมส่งไปให้แก่โรคซุ่มอีกป่าพระเจ้าเราปีนั้นสั่งนายทับเรือ ให้ตั้งค่ายทันน้ำพอบางเรือรายเริไปยังแบนเูียกางตังเลยคือพ่ายเอมามากนี่ห้องเตือนก็จึงภูมว่าอันเท็ทับเรือยกเข้าไปน้ำเห็นจะไปง่ายแต่อันเ่อประเทศกลับถอยออกมาเนี่ยจะยากบียดวนน้ำขบเจาะจะขอไปตั้งเป็นทับแมาอยู่ จะได้ช่วยทับเรือ ง, ง่ายเพราะองค์เป็นทับหลังอยู่แล้วเห็นจะไม่เสียทีกับข้าสุดพระเ จ, ะออกกจ้ารอปีก็องู่ทำไมกระไอ้ชาวมือกังต่างมันรบหัวกลัวเราอยู่แล้วที่ไหนจะมารบจะได้สงสัยเลยเราเร่งตั้งเข้าไปเัองขณะมันคุ้นมานะทิบัตกษาได้ว่ากล่าวทัศพาเนี้ให้ไป พ้าเจ้ารอปีก็ยึดฝันจัดทัพเป็นสองกองกองบนให้ห้องป่วนเป็นนายกองไปตั้งที่ทิศเหนอเือเกรงว่าโจผีจะยกมาตีไปตั้งขัดตาทัพอยู่ด้านทิศเหนือป้องกันกองทัพโจผีตัวพระเจ้าจรอปีกนี้ก็ตั้งค่ายรายไปตามริมแม่น้ำใกลก้กันกับกองทัพเรือ ยกมารบือการตังตั้งค่ายรายไปตามอาวินนั่นสข่ิ่ายริมรายกันไปปตริยะทางถึงเจ0 0เส้นมีค่ายใหม่นะแล้วเลยห้องกวนคุมฐานยกมาตั้งอยู่ข้างทิศเหนืออันเป็นทางจะมาเมินเราจากรไรนั่น พระเจ้าุ่กวนนั้นเด็กแต่งเห็นลกซุ่มเป็นแม่ทัพออกมาลบด้วยพระเจ้าเราปีโจผีเบ็ดฟานั้นก็หัวเราะแล้วก็จึงพูดออามาเลยทีเดียวว่าเหล่าปีจะเสียทีแกสุ่มกวนนี่พระเจ้าโ จ, าจาผีหัวเราะออกมาเลยแล้วก็พูดออกมาอย่างนี้บรรดาคุณนายที่ปรึกษาที่นั่งอยู่นี่นก็ทูลถามว่าพวกเองเห็นอะไรอ่ะจึงปรับไปนั้น โจผีก็ยู่งวัดพระเจ้าลาวปีไม่เข้าใจในการทับจิงตั้งค่ายยาวไปถึงเจ็0ทันเส้นก็แม้ข่าสึกเข้าลบหัวท้ายเท่านั้นแหละจะช่วยกันได้ครั้งนี้ลาวปีเห็นจะเสียทีกับลบสุ้นเป็นมั่นคงเราคอยดูเถอะพระเจ้าโจผีรบับฟังด้วยความมั่นพระภัยเช่นนี้ คุณนายที่ปรึกษาท่า น, นก็ยังไม่เชื่อสักทีดียวว่าก็จลิ้งว่าพระเจ้าจะขอจกกัดแจงกระเปลียนทหารได้พร้อมเกวผีคุจิงว่าลกสุน่นปีทับพระเจ้าเราปีแตกแล้วเห็นจะได้ติดตามเข้าไปถึงเมืองเสฉวนแห่เมืองกังตังมึนผู้คนทหารก็จะเบาบางทหารจะน้อยเราจะยกเข้าปีเอาเมืองกัตงต ทำอาการบุด ห, หนึ่งจะไปช่วยให้เขาไว้ใจแล้วเราจะลากลับเรียนกองทัพมาให้พร้อมจะยกไปเป็นสามฐานนี่พระเจ้าเร า, เาพรารีพระเจ้าโจีพระเจ้าโจผีวานแผนที่จะขยำห้ำหันกังตังเลยทีเดียวละก็จึงจะให้เจหยินเป็นนายกองขึ้พทหางไปทางยิสูโจยู คุมหารไปทางปุงเข่าโจติ้งคุมทหารไปทางนําปุนทั้งสามทัพนี้จะตั้งซุ่มดยูในแดนเราก่อนเราจะคอยฟังคนสอดแมนหากอะไรได้พรุ่งทีแล้วจึงจะยกไปให้พร้อมกันตัวเราจะเป็นทับหนุนไปเห็นจะได้เมืองตังตังโดยสะดวกนี่โจผีนี่ ติปัญญาฤทธิ์สูงเพีโยรล่ะบรรดาผิดดุสานผู น, นงงั้น้งเพลงฟังรันต่างก็เห็นชอบด้วยและต่างคนต่างก็ลาออกไปจัดแกงกองทัพไว้ให้พร้อมตามรับสัง ที่ผู้สากลสำคัญของเราปีผูค้คอยทักทานอยู่เรื่อยเนี่แล้วก็เป็นผู้ที่เขียนแผนที่ส่งให้แก่คนเบ่งดนะูครั้งไปถึงเมืองต่างฉวนก็เขาไปหาคนเบ่งเอาแผนที่ที่ตนเขียนมาเนะ่ะที่ราปีตั้งขาประการไดอย่างไรนะนะัน่ะออกให้แก่คนเบ่งดู คงบึงครั้งเห็นแผนที่ป่างไคของพระเจ้าเราปีดังนั้นก็ตกใจนักทีเดียวถึงเอมือตกโตเปลี่ยนเลยทีเดียวแล้วก็พูดว่ากำแล้วเห็นแก่เสียทีแกลกซุ่มเป็นมั่นคงใครและช่างคิดอ่านเลขพระเจ้าเราปีดป่างไคดังนี้ให้เอาตัว ม, า ม, ามาันมาฆ่าเลยนะบันี้ผงบึงออกคําสั่งประหารเลย เพงได้เห็นแผนที่เท่านั้นเองออกคําสั่งประหารผู้สั่งให้ตั้งค่ายดังนี้ก็จะประหารใครกันละ่ะมาเรียนก็จึงว่าผู้ใดจะคิดอ่านให้ก็าหาหนี้ได้ความคิดของเพื่อน เ, เราปีเองและซึ่งท่านอยากจะเสียทีแก่ลบกสู้นหมือนท่านเห็นประการใดผมเรีนก็จึงบอกว่าก็เพรตั้งค่ายแต่สี่สิบค่ายเนี่ย ยาวไปจนถึงเกตพันเส้นกันี้ถ้าค้าศึกเข้ารบและจุดไฟขึ้นก็นดีด้วสมฐาไนไปช่วยกันได้ทางนี้ให้จักค่ายร่วนธรามะตั้งสม่เอาไปพรอยช่วยกันได้มาเองก็ตีว่ดข้าพเจ้าจะกลับไปก็เลยเราจะไม่ทำข้าพเจ้ารอปีนะ่จะแตกไปสักก่อน มีไรติดตา ม, มาจนถึงมือเสฉวนด้วยมารีนก็หวั่นวั่นทีเดียวอะแต่แรกมารีนก็ทักทานพอสมควรอยู่แล้วแต่พระเจ้าจรอปีก็ไม่ฟังมีผมเป่ประมาณการ ว, าว่าแพ้แม่จะมีแล้วเนี่มารีนก็วตกมกันว่ามันจะมีไราตา ม, มาถึงเสฉวนนี่เนียผม่ก็ถือว่าถึงที่เจ้าราปีแต่รก็ดีแต่เราเ็าลดสุ ไม่ตามมาถึงมือเสฉวนหรอกเพรลกซุ่ก็จะต้องระวังหลังกลัวไอ้โจผีจะไปตีเอาเงินกันตังอยู่แท า, าไปตัราบปีผัดแตกแล้วก็เห็นว่าคงจะไปอาศัยอยู่มืองเป๊กเตะอันมือเตเตะ น, นี้เมื่อเรายังไม่เข้ามามืองเสฉวนนั้นนะเราได้จัดแจงฐางนไว้ถึงสิบมือแต่ดิฉันมุอีออกปากโต ปาทาจะเข้าเมืองเป๊เต้เเ น, นั้นกองมมาเรียนก็ถู่ว่าข้าพเจ้าก็เดินทางมาทางอิตาลีพกะบรมมีฐาอยู่ที่นั่นกองมือตั้งถึงเศมแต่อะไรข้าพเจ้าเห็นแต่สักคนหรอผมเบก็ต่ว่าท่านอยว่าไปเลย เตาเตียวให้ด่าในเวลาคท่าเหมือนนี้เราจะยกทัพหนุปไปตุนอีกตังก็คุมหานไปทำตามคำสั่งและวลูกุ่นก็ฟังชีเส้นเต็งหองสองนายทหารนี่อาจจงคุทงง 3, มทามาหารข้างละสามพันบุคเขาไม่จำเป็นต้องใช้ทหารจำนวนมากๆเลยคุมหารข้างละสามพันไปตั้งเป็นกองซุ่มอยู่เนพาน ถ้ามีตันเข้าไปรบแทกขาเสียร้ายออกมาให้ออกส ก, กับรบเชื้อถ้าเสียแตกนีแล้วอย่าต้องไล่อย่าต้องไล่ไปไม่ไล่มีคําสั่งชบคอนอยู่ที่เส้นในห้อวก็กรหานี่ําตันคาสั่ ง, งคงือตอนนี้ทุกคนพอเชื้อสติปัญญาลบซึนระที่นี่ข้างฝ่ายมีตันนะนายฐานผู้ติดลบซึ้นช่เนี่ย คอยจนดึกสงัดคืนนึงได้เวลาแล้วก็คุมทหานเข้าไปทีเดียวเมื่อเขาเประทศติดข่ายก็โหร้องปีข่ายเข้าไปคพื่อฝ่ายเป้าเตียวเห็นหนาโหร้องก็ปีข่ายเป้าเตียวนะครับไม่ใชเตียวเป่าตอบเป้าเตียวหนึ่งรือควนขีดมากขับหานออกมารบ ก, กับตัวมีตมันยงแยงต่อฟื้นไม่ได้ แล้วตัวนก็ถูกเกาพันเลือดก็ขับมาถอยหนีเตียวยังและสมโมโขนายไข่ที่อยู่หลังเขานั้นคระหน่ำฐานกลางาตันโหร้องก็ตีไข่ายของเปาเตียวอะ่กวะก็อุ้มฐานโยกมาสกัดทางรกเขา้าไวีตุ้มตันหนีไปพบกองทัพเตียวยางสมโมโขก็โรบกันอีกทหารรมปารุ ม, มาก็ขับมาหนีฝ่ายเตียวยางสมโมโข และเป่าเตียวเดือดก็ไล่รถติดตามตุ้มีสงเข้ามานี่ะก็ เ, เป็นไปตามแผนที่รถสุนวางเข้าไว้อ่ะตรงทางที่ไปไหนมีชื่อไหนที่มี ไ, มม ไ, มมไปรบอะ่ะแค่ให้หนีมาอย่างเนี้ยเอาละหนีมาถึงที่จุดที่เส้เ น, สนทงนงางสูงอยู่อ่ะที่เส้นทางตันสูงอยู่นะั้นเห็นไม่ทีกระนี้ก็ อ, ออกโงไป พวกทหารของเราปีนขึ้นไปยังชังนโมโผละเปลวเตียวนะ่ะพูกที่เส้นไปห้องไเกินหนามาก็แแตะนิกลับไปไข่ที่เส่งไปห้องก็นิไปติดตามไม่ติดตามตามคําสั่งนไม่ให้ติดตามก็พากันกลับมาตุ้มอีกตางนั่นถูกอาวุธถูกเกาพันก็ห า, า, าลูกเกาพันนั่นด้วยละเข้าไปหาลูกทุ่มร้องให้ขอโทษ ติกตัวไปรกพ่ายแพ้แตกมาบาดเจ็บมาอย่างนี้ลกทึ้งก็จริงว่าเราไม่เอาโทษหรอก เ, เราแกล้งให้ไปทางนี้หวังแต่จะดูกำลัง เ, เร่ยกมพระเจ้าเราปี๋เท่นก็เด็กแล้วอย่าวิตกเลยเราจะปีรเราปี๋ให้แตกให้จนได้ลกูกทิงจะลงกำลังดูเท่นั้นเอง ที่ซึ่งเป็นหงก็จริงว่าเขาไปเจอเห็นโลกเขาจเจอรอบปีมีฐานเข้มแข็งแต่เข้าตีเลขแปดมัเห็นไม่ักจะต้องเสียฐานเป็นอันมากอยู่ลกซุ่มก็หัวเราะแล้วก็จริงว่าพระเเพนีรบสึกกันไหนมีรือจะไม่ตายแต่ผู้มีความคิดเนียย่อมเสียน้อยได้มาก สำคัญสุดก็คือหกหลงผขดเด้งที่กับเลี้ยงผู้มีสติปัญญาดินงก็มิได้มาในกองทัพด้วยเหาปีนี่ก็เหมือนเทพยาดาให้ช่องต่ช่วยชูร้องให้รุ่งเรืองในพระเจ้าขุนกุลมีรถรุ่กล่าวอย่างนี้คือว่าเป็นก็เป็นกัคนเดินคนเดียวว่ามีคนเดิก็ไม่ได้มาด้วยอย่างนี้ เพื่อจะดาให้ชงจะช่วยชูให้เรารู่เรียนในเครื่เจ้าสุ่มกวนแล้ช่วยก่อเรือหาในทัพในกองทัพมาสั่งชูเหยียนเป็นในกองขุนทหารไปทับเรือในลำเรือนให้บรรทุกฟางได้จนมากทุกรำนีแผนการเผากองทับไดเกิดขึ้นละ กะนากระนาเมนครังจโจโฉไปตีกันต่างรุ่มไมอ่ะั่นจโจโฉถูกเผาทับเรือแต่บบ น, นี้ทับโบกของพระเจ้าเราตีเนี่ยถูกลกสิ้นเด็กวนสิวานแผนเผาะโดยแคกองเรือไปเผาเรือรำมือทุกฟางให้มากบรรทุกให้มากจนทุกรำะข้งฝ่ายทับโบกนั้นแห้หันตงหาพวกนึง ตีทางด้านทิศเหนือตีท้ายขุมทหารพวกนี้เข้าตีทางด้านทิศใต้มีข้าพเจ้าเราตีตั้งยาวยาวตั้งเจ็ดพัเส้นตีหัวตีท้ายก็ยําแย่แล้วอย่างที่พระเจ้าโจผีกล่าวทีเดียวล่ะโลกฟุ่มเฟือยอย่างเนี้ยตีท้ายไปตีทางทันโถงไปตีทางทิศเหนือตีท้ายไปตีทางทิศใต้ให้ทหารทุกคน มีข้าวตาใส่ไท่ข้าวเอวและมีเหล็กไฟมีมัดฟางพอดินประสิวใส่ร่างสายจำนวนให้พร้อมจมทุกคนนี่าให้เตือนอย่างนี้คืออาหารเลืม่หมายความจะต้องไม่มีการหุงหาอาหารกินกนละเอาเข้าวตาใส่ไท่ข้าวเอวเลยแล้วก็เหล็กไฟ ดึงไปเสียงฟางสายจมวนมีฟางกลางอย่างนี้และบอกว่าพรุ่ง น, นี้เวลาค่าลมพัดกล้าแล้วทหารหทัพโบกทัพเรือพร้อมกันไปยีเข้าไปให้ถึงค่ายทั้งสีสิบค่ายแล้วติดโคลนติดค่ายหนึ่งเว้นค่ายหนึ่งจุดค่ายหนึ่งเว้นค่ายหนึ่ง ถ้ามตตแตกเรื่องาดท่านทั้งพวงเร่งติดตามจับเอาตัวพระเจ้าเราปีใหม่ส่งได้คำสั่งลกซุ้นเขาบอว่าไปแล้วย้อนย้อนกันนิดหนึ่งบุคนสั่งการเหมือกันหนึ่งหารท่านพวงตอนนี้เชื่อสติปัญญาลกซุ้นเดกวานสึน่ทุกคนทุกมือทุกกองก็ไปจัดแจงตามคำสั่ง ฝ่ายระเจ้าเหล่าปีนั่งอยู่บนเก้าอี้ ว่าราชการจัดแจงทัพที่จะออกรบก็ยังไี่ทำแล้วยังไม่ทนเสร็จบางเอ่ยักสกจังขึ้นมาทงรบซึ่งปัแน่นอยู่นั่นแหละลมก็มีได้พักแต่ว่าทงรบมันนะ่ะล้มลงมาต่อนหน้าพระที่นั่นเลยพระเจ้าจรอปิดตบพระไทยนะ ถามเทียตีที่ปรึกษาทีเดีย ว, ว่าเหตุนี้มีรายประการใดเทียตีที่ปรึกษาก็จรงว่าข้าพเจ้าเห็นี้มีรายอยู่เห็นว่าล็อกซึ่งจะยกทัพมาตีเราเป็นมั่นคงข้าเจราตีก็จรงว่ารบครั้งใดอะเราก็ตีแตกไปทุกครา หามันตายเป็นอันมากอ่ะก็เลิกกลัวเราอยู่แล้วที่ไหนมันจะยกมาเตะเราได้พูดกันยังไม่ทันจบคำอ่ะถ้านัรค่ายบนนั่นก็เข้ามาบอกทีว่าบัดนี้ห็นหันมือลางต่างยกมามากแล้วก็แยกกันเป็นสองทางผู้นี้ไปทางเหนือผู้นี้ไปทางใต้โดยเจออ้าอกปได้อฟันก็สั่งกวนหิงเตียวเป่า ให้ออกไปดูทิ่ว่าจะเป็นประการใดวันหยินเดียวเปล่าก็ออกไปดูแล้วก็กลับมาบอกว่าไปดูทุงทิศเหนือโขนแสงไฟรเรียงรายกันไปนะครับผงจะขุ่ข้าวพรเจ้าเราไปได้ฟังดังนั้นไม่แก้งเนื้อความเบ็ชัดก็สั่งวันหยิน ไ, ไปทางทิศเหนือเดี๋ยวเปให้ไปทางทิศใต้คุมฐานขั้นก่าห้าร้อย ไปซื้อบั้ให้แม่ว่ามันยกมาตีเราหรือว่าจะยกไปทิศใดทิศไหมทะเลีดกลับมาบอกบนหินเตี่ยวเปล่าก็คุณทหารไปตามคำสั่งนะค น, คนไปทางเหนือคนไปทางใต้ละเพื่อจะซื้อบู้ทีว่ากองทัพืองการต่างที่ยกมานั้นนะจะยกมาทำอะไร กางฝั่งขันสงยู่ไพยแม่ทมบกที่เหรียญแม่ทับเรือทั้งสามนายเนี่ยก็ยกมาคอยตามสัญญาที่ลบกสุ่นสั่งการไว้แล้วเนี่ครนลมพัดกล้าแล้วนี่ลกสุ่นสั่งกา ร, ร, กากการใช้ดิงฟ้าเป็นประโยชน์ตนเหมือนกันไม่บอกว่าเวลาเช้าสายบ่ายค่ำละ เอาเวลาที่ลมมันจะมาสั่งการก็วลานี่ทั้งสามแม่ทัพนี่เห็นลมพัด ก, กล้ามาก็พร้อมกันขับาหารบกทหารเรือนนั่นแหละโหร้องรอบเข้าไปถึงค่ายราบปีแล้วก็จุดเพลิงขึ้นพร้อมกันฝ่ายพระเจ้ราปีพระอินทร์หันโห่หร้องเข้ามาเห็นแสงไฟลุกติดค่ายโพงขึ้นก็ตกใจนะและนําบัตรนี่ ค่ายติดตั้งเรียงรายไปตั้งเจ็ดพันเส้นนะ่ะนี่ท่านนาทหารมามากนะเจ็ดสิบสามมื่นค่าเรียงรายกันยาวเหยียดไปถึงเจ็ดพันเส้นนี่แบบนี้จะยกไปช่วยทางไหนก็ไม่ได้ไฟเกิดหนักขึ้นลงพายุก็พัด ก, กล้าเข้าก็ละลายระลังตัดถึงใจไม่ถูกแล้วจะไปช่วยทางไหน ทหารที่หุดค่ายเข้มซ้ายเข้มขวาก็แตกกันมาค่ายระเจ้าราบปีนี่แหละถึงเหยียบย่ํากันล้มตายไปนั้นมากทีเดียวโลกซุ่มฝังฐานจนจุดเผาค่ายเนี่ยจุดค่ายเว้นค่ายจุดค่ายเว้นค่ายนี่เพราะมีกองทหารไปน้อยด้วยพระเจ้าราบปีบาตรมีเหลือกำลังจะสู้รบแล้วก็ขึ้นมาคุมฐันหนีไปหาปองศิษฐ์เพรเาไปถึงค่ายปองศิษฐ์ก็เห็นค่ายปองสิษฐ์น่ะฝ่ายนะก็ลุกเตะขึ้นเหมือนกัน ฝ่ายปองศิษก็ขีม่ม้าคุมฐานหนีมันอกค่ายก็มาพบขีดเส้นนายฐานหนึ่งกางตังก็รบกันอยู่ทีเดียวเผื่อเจ้าว่าปีเห็นปองศิษย์รบกับขีดเส้นฐานหนึ่งกางตังนั้นก็กลัวพวบมา้าคุมฐานหนีไปข้างทิศตะ ว, วันออกฝ่ายขีดเส้นเห็นพระเจ้าเราปีหนีไปทางนั้นก็เรื่อนอะไรจะมัวมารบกับปองศิษย์บราโดยคำสั่งล็อกสุนเด็จจับตัวที่เจ้าเราปีให้ได้นี่ กี่เส้นก็ทิ้งปองสิทธิ์ยะมีสนใจว้วรีกมันกำลกังทับติดตามพระเจ้าเราปีไปในทีเดียวฝ่ายพระเจ้าเราปีนั้นก็รบพลางห น, นีพลางรบพลางห น, นีพลางไปเลยก็ประมาณร้อยเส้นก็ไปพบเต็งหองคุณทหารเรือกล า, างตัส ก, กัดรบอยู่ขา้างในก็ตกใจนะจะหนีไปทีงไหนก็ใช่ที แต่รบละว้าละลังอยู่เช่นั้นไฟเตียวเป่ามีเล็บมีเชือ เ, วเวสือซึ่งจะเจ้าปีใช้ออกไปฟอร์แมนเห็นแสงเพลิงติด ม, ม, มากขึ้นก็รูว่ามกองทัพแตกแล้วเตียวเป่าก็เหยียวตามหาพระเจ้าราเปียขณะที่เห็นโอร่งรบกันอยู่เตียวเปล่าก็นำกาลังรบปีปาหักเข้าไปดูกเห็นเตงอง คุณร้องพรเจ้าวรวิรุตเตีเป่าก็เข้าเป็นห้องยังหนักเป็นหออ้งนนหองแตกถอยไปเดียวเป่าได้พบพระเจ้าวรวิีก็พาพระเจ้ารบีหนีไประยะทางประมาณ300สามร้อยเซนก็ไปพบกับปเป่าเตียวมีกลาบกันนะเดียวเปา่ามี่รู้เตี่ยวหุยคนปเป่าเตียวนี่เป็นนายฐานธรรมดาคนเดียวเป่าคุ้มฐานเดินมาเอาตัวมันจบเป็นกับกองทัพพระเจ้าวรวิีุนี่แหละ แล้วก็พากันหนีไปฝ่ายลกสุมคุมทหารไล่ตามหลังพระเจ้าเราปีมาลกสุมออกบัญชาการรบทัางฝ่ายเปาเตีวและเตีวเปาทั้งสองนิกเห็นลกสุนน่มํากําลังไล่ติดตามมาเห็นว่าจะหนีไม่พ้นก็พูดพระเจ้าเราปีว่า เมื่อที่ภูเ ข, ขา마อวันเนี่ยชอบกล น, นะและบัด น, นี้เวลาตัวจยน ค, ค่ำแล้วขอโทมท่านขึ้นไปอยู่บนภูเ ข, ขาไม่ก่อนเถอะเข้าไปเจ้าเจ้ารบอยู่ในซอกเขานี้ป้องกันท่าศึกไว้นี้ให้เข้ามาทำมันจรายพระ อ, องค์ได้จเจ้าราบีกก็ขึ้นไปบนภูเขามาอวันเตียวเป่าเปล่าเตียวทั้งสองนี้ก็ขงหานคอยรบอยู่ซอกเขานี่แหละลกสิ่งก็ข่มขันไว้ตามขึ้นมาจะหักขึ้นไป บนภูเขามาอา้วนไดะเตียวเป่าเปล่าเตียวก็รบเข้าวัดลูกึ่งจะหักเข้าไปก็หักเข้าไปนี้ได้ก็จะล้อมวงอยู่รอบเชิงเขาล้อมอยู่รอบเลยฝ่ายพระเจ้ารอบีขึ้นไปยืนบนยอดเขาแลดูไปยังค่ายของพระองค์เองเห็นเผ่าหนูติดแดงฐานพุ่ยยาวเหยียด ค, ยคิดถึงทหารทั้งสิ้นที่นํามาเนี่ย เจ็ดสิบสามหมื่นต้องล้มตายเป็นอมตะ เ, เ, มกกนนออเช่นนั้นเพร่อเจ้าเราปีก็ทรงพักแสงร้องไห้ฝ่ายโลกที่นั้นก็ร้องอยู่จนจนรุ่งเชา้าก็แลเห็นยญ้าที่เชิญเขานะแน่งบ้างสด บ, บ้างแต่ก็เป็นเชื้อเพลิพอที่จะจุดได้ละโลกทุ่ใช้วิกธีการ ถ้าจะกล่าวไปแล้วก็เป็นวิธีการที่หกหลวมของเด่งวางแผนด้จยิมยี่เผากองทัพโจมิเตโชแต่เมื่อครั้งก่อนโพนและใช้ไฟเผากันท่าเดียวแต่ครั้งโจโฉก็เก่งทำมาทุกแปดสิบความืูมมักมีโอกขึ้นเห็นในสถานที่นี้ก็มีท้นหญ้ายแห่งยากาสพอที่จะเผาได้ก็สายทหารระนบิดจุดไฟขึ้นรอบภูเขานี่ ตัวฐานก็กระทำตามคําสั่งฝ่ายพระเจ้ารอตีและฐานทั้งปวงที่อยู่บนภูเขาอะ่ะคั้เห็นไฟรูกติดขึ้นมาเลยก็ตกใจนะก็คิดกันี่จะรบแหกออกไปกั้จนได้แต่ก็ยังไม่ตกลงกันไม่แต่วิ่งว น, นเวนียนด้วยความตกใจอยูาเชนนั้นฝ่ายอ้หนิววนฝูงพระเจ้ารอปีให้ไปฟอดแมนไม่เหลือได้ยินเสียงโหรองเป็นนั้นน่ะ แสลูไปถึงแสงเถื่อนนี้ติดข้าายาวเหยียดเช่นกันและก็รวดเสียทีแก่ข่าศึกแล้วก็รีบมาหาพระเจ้ารปีติดตามหาพระเจ้ารปีก็ไม่พบเกิดทหารที่กระจัด ก, กระจายมาจับตัวมาสอบฐานได้ความวาบบบนี้พระเจ้ารปีหนีไปทางที่ตะวันตกวัวหินก็รีบตามไปก็ไปพบทหารเงินกลางสังร้องเชีงเขาอยู่และแวนเถิงอถูกจุดขึ้นร พระเจ้าเราปีนะ่ะติดอยู่ณที่นี้เป็นแม่แล้ววันหญิงก็ขี่ม้าขับทาหารแพ c เข้าไปนับไฟวีขึ้นไปบนภูเขาก็ได้ขึ้นไปพบพระเจ้าเราปีกันได้วันหิงเพ่งจัดหลังมาลงกราบแล้วก็ร้องไห้แล้วก็ถึงว่าข้าสุประดมไฟขึ้นมาตอนนี้เราจะอยู่ณที่นี้ได้แล้วจะพากันตายเขึ้นบนภูเขานี้ ขอเชิญพระองค์ไปอาศัยอยู่ณนเะมืองเต็กเต้เถอะเห็นจะพ้นข่าศึกแล้วเราจะได้เกลี้ยกล่อมทหารที่แตกพ่าอยู่ในป่าดงรวมกําลังตั้งตัวใหม่พระเจ้าราปี๋เด็กฟังอุหญินว่างนั้นก็เห็นชอบเบื่อเขาจึงว่าเราจะรบหักออกไปนั้นจะจับใครรบมากจะจับใครระวังหลังล่าอุหินก็จินว่าข้าพเจ้าจะขอเป็นทัพหน้ารบไปเอง เตเปล่าก็จริงว่าข้าพเจ้าจะขอเป็นกองกลางระวังพระองค์เองเป่าเตียยก็จริงว่าข้าพเจ้าจะขอเป็นทัพหลังรบรังรอให้พระองค์ไปให้รอดจนดน้วางแผนกันเสร็จจัดแจงเรียบร้อยแล้วก็รบหักฟันป่าลงไป่ายวาย และฐานทัพควรเห็นดังนั้นก็ขับทหารไปตามคือข้างกองทัพรอบปีก็หนียกขึ้นก็ตามพระเจ้ารอบปีกหนีไป ต, ตามพอกเขาข้างยกขึ้นไร่ติดตามมาเจวนตัวเขาแล้วก็สั่งามให้ถอดเสื้อออกเผาไฟก่อนและกลางทางที่ข้าพจะติดตามมาและคือก็ใช้ไยนี่แหละบ้างกันไม่ให้ข้าพจ้ติดตามไมา่สะดวกโดยให้ถอดเสื้อออก กองเข้าไว้แล้วจุดไฟเผาบ้างไฟจิเหยียนซุ่มลกซุ้มใช้ให้เป็นแม่ทัพเรือมานั้นจิเหยียนแม่ทัพเรือฝ่ายกันสังครั้นเผาค่พระเจ้าราวปีพระเจ้าราวปีแตกหนีไปแล้วจิเหยียนก็คุมานขึ้นบกเรียติดตามไปได้ยินเสียงโหร้องก อ, อกสกกตั้านหน้าวัด่าพระเจ้าราวปีรีบหนีมาเนี่ยเห็นจเหยียนคุมานมาสะตอยู่ก็หน้าก็ตกใจ น้าที่ถึงกับร้องว่าทีนี้เราถึงที่ตายแล้วถีงพระเจา้ารอปีตั้งแต่เป็นเป็นเ่าปีเฉยๆหมดเจดสุกหนักปัญหาหนักก็ร้องตายท่าเดียวแบเนี้กลัวหญิงเตี้เปล่านี้นก็ขับม้ามารบจะแหกออกไปกันได้แต่ตีเว่าผ่านไปก็ไม่ไหวในที่สุดตัวเองก็ถูกเกาพันลุกซุ่มนั้น ก็คุ้มฐานไล่รบขึ้นมาเปลยวเปล่าก็เข้ารบ ก, กับลบขึ้นการที่รบกันในตอนนี้ยิ่งเป็นอนุพันธ์ลมุนเป็นที่ยิ่งนะักปลายูีล่มเปล่าตีล่มยิ่งที่สุดทัด าพระเจ้ารอปีเป็นอย่างยิ่งเราเห็นได้วับจูเร่ที่นี้เป็นยอดฐานเสือที่แท้จริงมีหน้าที่เป็นฐานโดยเฉพาะแต่ว่าถ้าถึงคราวนั่นแหละเขาถึงจะพูดแต่การพูดของจูร่ครั้งนี้ก็ไม่ได้ผลบังกล่าวแล้วแลวก็พระเจ้ารอปีไม่ได้ให้มาในทัพด้วยหรอกแต่พระเจ้ารอปีชใช้ไปคุมทหารขนข้าวมาววาในมือเสฉวน จูลรงก็ไปทำการนเรียกว่าเพกนะรเบื่งจูลรงี์คุณมฐานขนข้าวทำมาถึงตำบลตังจียวเห็นแสงไฟลุกขึ้นมาทหารนี่แตกตื่นมาบอกว่าบัดนี้กองทัพพระเจ้าอภิไแตกแล้วจูเรงค์รู้จึงก็ขีมาาคุณมทหารเข้าไปยุทธภูนเที่ยวรบตะวีดา คนหาพะระเจ้าเราปีก็ยิ้เสียงโห่รองเห็นเดาวทหารรบร้อมกันอยู่ก็ไม่รู้ว่าใครรบกับใครประธานบดยอย่างไรใครถูกร้อมใครอย่างไรแล้วเห็นเป็นข้าศึกต่างแดงก็ไต่ตะลุยเข้าไปละจู่ล่งก็ขับมาต่ตะลุยทหารแหกหักเข้าไปก็ไปยังกองที่จิ้เหยียนร้อมพระเจ้าเราปีไว้อ่ะจู่ล่องตะลุยรบมากขึ้นไปเรื่อเดี่อยไปจิ้เหยียนเห็นไนั้น ก็กลับมาออกมารบกับจีรุ่งจีรุ่งรบหาดเข้าไปสู้กับจีเหรียงได้ทีก็ทวนแทงถูกจีเหรียงตกมาตายมียอดทหารเสยอทหารเก่าพระเจ้ารบจีรุ่คั้งนี้ทหารใหม่แทบทั้งนั้นมีฮองตงมาด้วยคนนึงกดตายด้วยความถือตัวหองตงถูกเก่าพังตายไปแล้วนีแต่จีร่งทหารริ่นเดียวกันนี่แหละ บัดนี้เขารบกับตูเหียนข้าจูเหียนตายแล้วทหารตีเหียนเห็นตีเหียนยื่เป็นนายทัพถูกฆ่ า, าตึกฆ่าตายมันก็แตกหนีไปตูร่อก็รบตะลุยเข้าไปจนพบเพื่เจ้าเล่าปีก็พากันหนีไปได้ข้างเป่าเตียวรบรังหลังอยู่นั้นทหารมือการตังเข้ามาสกัดไว้เปาเตียวนะ ต่อรบด้วยนี้ได้ยอดพอเลยฝ่ายเต็งหองเต็งหองเห็นป่าเตียวกระเบื้งรบอยู่เชน่อ่าเป็งหองในถานมึงกันสั่งนะก็ตึงรวงโดยการร้องตะโกนเขาว่าทหารท่านตายเมืกหนาแล้วนีเห็นมั้ยและพระเจ้าเราปีเราก็จับตัวได้แล้วท่านยังจะหลงรบดีใหญ่เพราะเขามาหาเราแต่โดยดีแต่จะได้รอดชีวิตอยู่ เป็นห้องตะโกนแบบอย่างนี้เต่าเตียวก็ร้องตอบอ่ะเราเป็นทหารพระเจ้าเอรอปีเราไม่เข้าไปหาพวกเจ้าไอ้ขบถแล้วถึงจะตายในที่นี้เราก็ไม่เสียดายชีวิตเต่าเตียว ร, รูร้เทเออ่านั้นรั้งหมพระเจ้าเรอปีถูกตับแล้วกลับให้มามะยิ่งขึ้นขับหารเรื่องรบทหารอ่อไปแต่ก็รบไม่ไหวเหลือกำลังแขนตจ ย, ยิ่งนะักคุณไม่อาจเอาชนะกำลังข้าพเจ้าได้คุณมีมากมายกว่าลุยร้องตนอยู่เนี่ย เตียวก็ร้องบอกแก่สาน้ำพวงว่าเราจะตายในที่นี้แล้วกัมมังแคนและกัมมังเมงยิ่งนะักเปล่าเตียวเนี่ย น, นะแคนมากประโนว่าเราจะตายในที่นี้แล้วก็อาเจียนออกมาเป็นโลหิตเลยแล้วก็ขาดใจตายไปในที่นั้นเองทหารทั้งตัวงเห็นเช่นนั้นก็แตกตรเวนหนีเข้าป่าไปสิลกส้นแม่ อายุน้อยแห่งเมืองกางสังก็สั่งทางของตนให้ไปไปตามพระเจ้าราบปีจับพระเจ้าราปีให้จนได้ฝ่าย <Yeah. S 1> เทียกีที่ปรึกษาของพระเจ้าราปีนี่แหละพลัดพลากกันกับพระเจ้าราปีน ะ, ะเทียกีก็ขับมากลงไปยังทับเรือจะให้ยกมาช่วยทับเรือหรือก็แตกไปเหมือนกัน ไปพบผ่านหนึ่การสังร้อมไว้เพียกีก็สู้ในที่รบจนสุดปัญญาสู้สุดกําลังสุดฝีมือในที่สุดเ็นจะมีรอดแม่เพียกีที่ปรึกษาก็เชื้อดคอตัวเองตายในที่รบตายปิษที่รบอยู่กับชีเส้นขันชีเส้นพลัดหนีอไม่เคยนี้ชีเส้นทิ้งปางศิษยไล่ติดา ต, ตามพระเจ้าเราปีไปนะ กองผิงก็คุมทหารรีบไปบอกกองทัพมอปั้นและเตี้ยวหลังตึงตั้งล้อมซุ่มหวนอยู่ณที่เมืองอีเหลงเน่ยให้รีบยกมาช่วยพระพระเจ้าราปีฝ่ายงอปั้นเตี้ยวหลังเด็กฟังความผิดบอกว่าพระเจ้าราปีเสจยสีแต่พระก็ตกใจเลิกทัพที่ล้อมเมืองอีเหลงก็ ร, รีบมากับกองผิดเทีเ่ยวปิด ต, ตามหาพระเจ้าราปี มีดตามระยะทางประมาณ300สามร้อยเซนก็พบกองทัพเมืองกังสั น, ก, นก็เข้ารบ ก, กันอยู่ทีเดียวทีคํางฝ่ายสุนหน์หัวลานเพื่อจะสุมกวนเพือ่ออกมารบครั้งแรกแล้วก็พ่ายแพ้แกงงอปั้นเปียวหลังหนีเข้าไปอยู่ในเมืองอีเหลงนะ่ะสุนหวนวฝึกอยู่ในเมืองอีเหลงครั้งเห็นงอปั้นเปียวหลังเลิกทับถอยไปจานั้นนะ่ะแล้วก็ไปรบ ก, กับทหารเมืองกังสังอยู่นะ่ะสุนหวนเนี่ยก็คุมทหาร ออกจากเมืองอีเล็งเข้ารบกระนาบหลังองอปั้นเตียวหลัง่ยงอปั่นเตียวหลังปอนสิบทั้งสาไม้นี่เห็นทัพมาตีกระนาบข้างหลังก็ตกใจนะักก็จัดแจงแบ่งทหารห อ, อกรบทหารก็ล้มปลายเป็นอันมากในที่สุดเ็นว่าเหลือกำลังแล้วงอปั้นก็คุมฐานรบแหวกวงล้อมออกไปรบพลางหนีไปพลางแต่เตียวหลังและปองสิบ ทั้งสองคนนี้ตกอยู่ในพี่รอมก็ถูกเกาทันของข่าสุด ต, ตายในที่รบไปทั้งสองคนฝ่ายสโมโขสโมโขซึ่งตั้งอยู่ริมเขาครั้งรบแล้วเจ้าเราปีแตกก็ขี่ม้าคุ้มหาออกมาช่วยก็ไปพบจินไท่ฐานเมืองกัางตังสโมโขก็ขารถ ก, กับจีนไท่ สมโขขับมาเข้ารบกับจิวใา้สู้กันไปสู้กันมาไม่ทันถึงสิบเพลงหรอกจิวใตาทหารเอกที่มีดีมือกลางตังก็แทงสมุขตกมาตายทหารของสมโขทั้งมันก็แตกหนีเข้าป่าเข้าลงไปฝ่ายพระเจ้าเล่าปีนั้นแตกหนีไปถึงเมืองเป็กเต้แล้วจูโลงหรอกจูโลงหรอกมาช่วยเข้าไว้ได้นะ่ะ พาพระเจ้าเราปีนี้ไปเมือง เ, เตกเตได้แล้วพระเจ้าเราปีก็จริงว่าแก่ที่ปรึกษาทั้งพวงว่าทหารเราหายไปเป็นอันมากเมื่อรู้ผู้ใดร้องตายประการใดอย่างไรเลยจูร่งก็จริงว่าขอเชิญท่านหยู่ที่นี่ท่าพระเจ้าจะคุมหานออกไปสืบหาดูและจูรงยอดทหารเสือก็เร่งยกทหารออกไปก็พบงอปั้น ที่แหวกวงร้อมออกมาแต่ก็ยังรบพลังหนีพลังเนะ่ยรบกับพวกทหารเมืองกังตังอยู่อะอยู่ลงก็ขี่ม้าขับทหารเข้าไปไล่แต่รูนรบกับพวกทหารเมืองกังตังก็พักเดียวเพลงทวนแต่ครั้งทุ่งเป็นอย่างนั้นยังฉากาจัดฉกันดวยเร็ ว, ว่องไหวบุดดังลิ้นมูฉกมิได้ยอมยอมไปกว่าแต่ครั้งก่อนนู้นแตอย่างไดเลยอยู่ลงตาลุนี้ทหารเมืองการตังแตกเปิด ก็ช่วยงอปั้นออกมาได้ก็พางอปั้นกลับไปเมืองเป็กเต้ไหวหิ้เนี่ยจากการสู้รถมีก็เป็นไปอย่างชุลมุนวุ่นวายข่าวการรบเนี่ยก็แม่นอนละย่อมลลงสะพัดไป ซูนยิงผู้หูยิงหญิงผู้เป็นพระยาราปีพัศบัตนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นมเหสีนั่นแหละหรือหองเฮาลึกวีฮีพระสนมเลยพะนอ ง, งเนี้ยนางซุนฮูยินเนี่ยอยู่ในเมืองกลางสังก็ได้ยินข่าวเลยว่าพระเจ้าราปีแตกแล้วทหารล้มตายไปนั้นมากและข่าวนั้น ก็เป็นข่าวต่อไปว่าพระเจ้าราปีเองนะ่ะก็สิ้นพระชนมในที่รบนางซ้มหวหญิงก็สงสารร้องไห้รักพระเจ้าราปีผู้สามีแล้วก็คิดว่าเกิดมาเป็นหญิงถ้ามีชายต้องตนทั้งสองคนก็ไม่ควรนะหมัดนี้หัวเราก็ตายแล้วไปอยู่ไป ก็เคลื่อนเป็นราคีอายแก่คนทั้งหลายทั้งปวงซุนฮุหญิงหยิงงามแห่งแผ่นดินต่างๆคิดกระน้ำแล้วก็ขึ้นรถคือรถมานะ้าแล้วก็ขับรถพุ่งเข้าสู่หน้าผาใหญ่ลิ้นฝั่งน้ำโจรลงสู่แม่นม้ำถึงแก่ความตายคนทัน้งปวงก็สังเิญ น, นางซุนหูหญิง หญิงใจเดียวผู้นี้เป็นอันมากเรื่องราวของสุนวิญญิย่าขอบถ้าาไปเขียนก็ได้อย่างน่าติดตามมากทีเดียวแต่ในสามกกฉบับจะประยาพระคลังคนนี้เป็นสามกกฉบับใหญ่ฉบับสมบูรณ์เนี่ยก็ รวมความกล่าวไว้ถึงตรงนี้เป็นข้อความเพียงห้าบรรทักครึ่งเท่านั้นฝ่ายทหารชาวเมืองกังสังครั้นตีกองทัพพระเจ้าเราปีแตกแล้วขับปันทหาร เสดชวนหันสงของพระเจ้าเราปีร้มปายรูเป็นอันมากนะผู้ชนะก็เที่ยวเก็บได้เสือผ่าอาวุธระเบียงเกลียกอมได้ผู้คนทหารเป็นอันมากฝ่ายลกสุ่นแม่ทัพผู้ยาวแต่เพียงอายุไายติดตามพระเจ้าเราปีไปจนใกล้ตำบลอิ ป, ปัตโตนี่ตำบล น, นี้ ของเบ่งบอกว่าเด็กเกิดได้วางกองฐานไ้หมื่นหนึงผิมมาเลียงบอกว่าไม่เห็นมีเลยีนี่แหละลกซึ่งเข้าไปใกล้สำบลอีตปปัโดโบแลดูไปข้างหน้าเห็นเป็นรูปคนยืนสะพั่งถืออาวุธอยู่มากมายนะลกซึ่งพุกเก่งกาลกซึ่งผู้ชนะนี่แหละบันนี้มาเจอเหตุอันประหลาดขึ้นอย่างนี้ก็คิดสงสยัย เขาจึงสั่งให้หยุดทับอยู่ก่อนและช้ยฐานไปฟอดแหนมดูสิว่ามันเป็นอะไรประการใดอย่างไรอะ่ะฐานก็ไปฟอดแ ม, มนมตามคําสั่งและฐานอุบังก็กลับมาบอกว่าไม่เห็นมีผู้มีคนแต่ประการใดก็หามิได้ได้วยมีผู้คนอะไรเลยเห็นแต่ศิลากองไว้ประมาณแปดสิบเก้าสิบกองนี่เมื่อเข้าไปใกล้เห็นแต่อย่างนี้ คนหนึ่ที่มาเลียงผ่านมาเห็นคือเห็นว่าไม่เห็นมีทหารเลยแต่คนนึงบอกว่าได้จัดกองทหารุ้วยมือนือนี่ลุกขึ้นมาเนี่ยเห็นเ อ, อเห็นรูปคนพะพ่างถืออาวุธอยู่ ม, มากมายให้ทหารไปดูท่าก็กลับมาบอกไม่เห็นมีแต่ฟีลากองว่าประมาณแปดสิบเก้าสิบกองเท่านั้นลุกขึ้นนี่นก็สงสัยนะเขาสังถามให้ ชาบ้านป่า น, นี่แหละมาสอบถามพี่ทหารก็ไปเที่ยวจับชาวบ้านชาวป่าได้ตัวมาก็มามอบให้กับรบสุนทรรถสูนทรก็สอบถามคนบ้านป่าเ น, นี่ยวะที่เนี่ยมีผู้ใดใครกันมาทําไว้อย่างไรเหตุผลคนใดประการใดอย่างไรศิลาที่เป็นกองกองอยู่นั่นน่ะทําไมอ่ะเมื่อแลดูระเห็นเป็นรูปคนถืออาวุธอยู่ดังนั้นน่ะ บ้านป่านั้นก็ตอบว่าที่ตำบลนี้ชื่อตำบลอีปัดโป้เมื่อของเบ่งยังไม่ได้เข้าไปในเมืองเสฉวนแต่ตอนที่พระเจ้าปียังไม่ได้เสฉวนด้วยซ้ําไปมีหมายความมานานนะะักว่าขงเบ่งได้คุมทหารมาที่นี่ให้ขมฟิรามากองกองเข้าไว้อย่างนี้ก็ทําไว้เช่นนี้ ทุกวันนี้ศักดินะ์สิทธ์ักเหมือนที่ท่านว่าแหละอคนป่าอยู่ที่นี่ก็บอกอย่างนี้เียของเบ้งมาทำไว้แล้วก็เห็นเป็นอัศจรรย์อย่างนี้ศักดิ์สิทธิ์ดังที่ทัานว่าที่จำเห็นนี่แหละลกซุ่นได้ยินเช่นนั้นรู้แล้วว่าคนเบ้งมาทำไว้เท่านั้นลกซุ่นก็พาฐานไปด้ประมาณสามสิบคนจะไปดูเห็นแก่ป่าครั้นเข้าไปถึง ก็ เ, เป็นความจริงคือไม่มีผู้ไม่มีคนไม่มีทหารไม่มีใครพอถึงก็ยืนพิจารณาดูอยู่ข้างนอกพิจารณาดูก้อนสีราหเหล่านั้นนะ่ะเห็นวางไว้นั้นเป็นที่ชอบกวนมี่เขากล่าวไว้เท่านี้นะครับเห็นวางไว้เป็นที่ชอบกวนหมายความว่าวิธีการวางนะี่คงจะเป็นประการหนึ่งประการใดที่มันสําคัญอัศจรรย์เป็นยิ่งนันนกอะ ลบกซุ่นเห็นก็หัวเราะแล้วก็จริงว่าคงเบ้งคงเบ้งที่วกเก่งกาดยิ่งในแผ่นบินแกลง้งทากลอุบายลวงไว้ให้คนกลัวลบกซุ่นว่าชนิดแล้วก็พาฐานเดินก็ไปในระหว่างก้อนพีระนะนี่ไม่ได้หวานไม่ได้กลัวอะไรละก็ะเที่ยวดูเรื่อยไปทหารทั้งพวง ก, ก็จริงว่า ขณะนี้ก็เป็นเวลาบ่ายแล้วเชิญท่านกลับเถอะลกซึ่งก็ชัดมาจะกลับออกมาและนี่แหละก็บังเกิดลมพายุาพัดหนักขึ้นและได้ยินเสียงเหมือนเหมือนเสียงชักกระบียออกจากฝักเสียงฟิรากระทบกันแล้วก็มีประกายไฟแว๊บแปลปลายฝุนทายก็ปลิวขึ้นมืดคลุม และเห็นเป็นคนถืออาวุธยืนขวางหน้าและล้อมไวมากมายไม่เห็นมีทางที่จะออกไปได้เลยอัศจรรย์ปรากฏขึ้นชนิดต่อหน้าลกซุ่นคนมุ่งแม่ทัพยายผู้เคลี่ยงกล้าแห่งกลางต่งนี่แหละลกซุ่นก็ลกซุ่นเถอะกล่าวไว้แต่เมื่อครู่นี้ว่าผมเบ่งแกล้งทากลอุบายลวงไว้ความกลัวบัดนี้ตัวเองก็เป็นคน มาประจ o กับอัศจรรย์ตอมหนาเขาชนีลกซุนก็โตกใจนะถึงกับร้องว่าครั้งนี้เราต้องตาด้วยความคิดของของเบ่งจริงแล้วนี่ลกูกซุ้มแม่ทัพยิงงพ่งยายผูนะ้เดชชัยชนะเหนือนกองทัพเหล่าปีอันมหาศาลถึงกับพูดรูปปากออกมาอย่างนี้เลยครั้งนี้เราต้องตาด้วยความพิของของเบ่งจริงแล้วแต่พอพูดขาดคำเท่านั้น ก็เหนตะแก่คนมายืนอยู่ตรงหน้ามามายืนตรงหน้ามาลกซุ่น่ะแล้วก็ถามว่าท่านใครจะอ อ, จร อ, ออกไปพ้นจากที่นี่หรือโลกซุ้นก็ดีว่าทนท่าท่าช่วยพาเราออกไปพ้นจากที่นี่เอาบุญด้วยเถอะตะแก่เัืนก็ถือไม้เท้าแล้วก็พาลกซุ้นเดินออกไปที่ต้องเดินตามทาง ทัานไปพ้ออกไปแล้วลกซุ่นก็ถามชายชาราผู้ช่วยชีวิตตนนี่แหละว่าท่านนี้ชื่อใดอยู่ที่ไหนเหตุผลนี้เป็นประการใดอย่างไรเนี่ยที่เกิดเหตุขึ้นอย่างเนี้ยข้าพเจ้าไม่รู้เลยขอเมตตาท่านได้ล่าให้ข้าพเจ้าฟังด้วยเถอะชายชารานั้นก็ตอบว่าเราชื่อฮองเส็งหง อยู่ที่นี่ราวนี้เป็นพออตาของของเบ้งเมื่อของเบ้งลูกเขอเราจะเข้าเมืองเสฉวนนั้นได้ทำที่นี้ไว้ด้วยวิชาการความรู้นี่มีความนี่ต้องอเข้าใจกันเราเองนะครับว่าทำยังไงขงเบ้งก่อนที่จะเข้าไปเมืองเสฉวนนั้น ได้ทำไว้ด้วยวิชาการความรู้มีประตูอยู่แปดประตูมีริทมีเบต่างๆกันเมื่อรู้ที่จะพารนาฤทธิ์นั้นให้ท่านฟังได้แล้วแม้จะมีทหารถึงสิบเมตรก็ไม่เท่าที่ขงเบ้งได้กระทำไว้นี้แต่เมื่อขงเบ้งจะไปนั้นได้สั่งเราไว้ว่าอยู่ข้างหลังนี้จะมีทหารใหญ่เบนต่างหลวงเข้ามา แล้วอย่าให้เราชักพาออกแต่นี่เราเห็นเอ็นดูท่านหรอกจึงได้ชักพาออกมาหวังจะเอาบุญอืมพอตาของเบ่ง น, นี่เองเป็นผู้มาช่วยโ ล, ลกสุ่นออกไปได้กพด้วบุญของลกสุ่นที่จะไม่ถึงตายในที่นี้ทายชราเพิ่บอกกล่าวแก่ลกสุ่นต่อไปว่า ข้าพเจ้าไม่ได้รัไม่ได้เรียนจีงไม่รู้วิชาของเบ่งกระทำไว้อย่างไรลกซุ่นเด็กปางโดยมันก็คิดถึงบุญคุณยิ่งนะักเพาลงจากหลังมากราบชายชราทูน้นแล้วก็ลาไปครั้งลกซุ่นรอดตายจากสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์สคัญ น, นั้นมาได้กลับไปถึงกองทัพแล้วก็สัรเสริม ความคิดสติปัญญาของเบ้งว่าดียิ่งนักไม่มีผู้ใดเสมอแล้วก็สั่งฐานทั้งปวงให้กลับเมืองกลางตางลกซุ่สั่งถอยทัพเลยเหมือนกันไม่ติดตามบทขยี้เราปีต่อไปละฐานทั้งบวงก็จึงว่าเราติดตามพระเจ้าเราปีมาจนถึงที่นี่ได้ทีอยู่แล้ว ท่านจะมากลัวอันใดกับก้อนฟีลาจะมาละพระเจ้าเราปีเสียไม่ติดตามและเพ่กลับกันต่างนั้นพระเจ้าไม่เห็นด้วยแต่ขอติดตามเอาตัวพระเจ้าเราปีให้จนได้ลูกซุ่นก็จริงว่าใช่ว่าเราจะกรัวก้อนฟิลาแล้วจริงถอยไปมันก็หามิได้แต่เราเห็นว่าความคิดของพระเจ้าโจผีสิ ที่ท่านนี้ได้นึกถึงกันเลยเนี่ยหลักแหลมนะเหมือนกับโจโฉผู้พอเรกรดว่าโจผีเขารู้ว่าเราตามพระเจ้าเราปีิ้งกันตังมาไกลดังนี้โจผีสั่งยกกองทัพไปตีมืองกันตังเขาระเราจะกลับไปช่วยทันหรือนี่คือเหตุผลการถอยของลกสุนหาได้ใช่เกิด ความเมตตายเป็เจ้ารอปีนิบัต้หาใช่ ว, ว่าเกิดจากความหวาดกลัวเกงรงกลัวสติปัญญาของพกหลงคงเว่งก็าหามนิบด้เป็นเด็กเกรงโจผีผิดตนมีหนังสือที่พระเจ้าสุนกวรมีหนังสือไปอ่อนน้อมยอมแลวทุกประการมีแวะลกสุนรู้อยู่ทีเดียวจ้าความสับสึ่งประการใดอย่างไรมาถ้าโจผียกไปตีข้างหลังเขาละ จะทำอย่างไรซึ่งนี้ก็เป็นความจริงอยู่โจผีมองเมืองทั้งสองรบกันให้ยาแย่แล้วก็คาดการได้ว่าทุนการต่างต้องชนะและตอนนี้แหละจะบทขยี้การต่างอีกทีหนึ่งแหละแการโจรผีก็เป็นเช่นนี้จริงๆรวกชุ่นก็คะแนาการนี้ถูกยิงสั่งถอยลกูกชุ่มให้เหตุผลก้ฐาทั้งตัวดั่งนี้แล้ว คือเกรงโจผีจะไปตีกังตังเนี่ยทหารทั้งปวงได้ฟังก็เห็นชอบด้วยก็จึงถอยพัพกลับคืนไปเมืองกังตังลุกซึ่งถอนทัพกลับเมืองกังตัง ครั้งถึงแล้วลบกสุนก็เข้าไปคว้าพระเจ้าสุนกวนกระทำคำนับแล้วก็เล่าความทั้งสิ่งติดต้นได้ออกไปรบและติดตามพระเจ้าเล่าปีให้ฟังสิ้นทุกประการเรียกว่าท่านแม่พับหนุ่มผู้ได้ชัยชนะกลับมารายงานการสู้รบทั้งสิ้นให้ได้ทรงทราบทุกประการฝ่ายพระเจ้าสุนกวนได้ฟังก็ดีใจนะ ถ้าเจราจากันยังม่ทันจะแล้วก็พอดีฐานสอบแนวมนเรื้อความมาบอกว่าบัดนี้พระเจ้าจูผีให้ยกฐานมาสามทางเป็นคนสิบมีนนี่ไงลกซูนยอดเยี่ยมเลยทีเดียวรบอยู่ข้างนี้คะาเนการศึกไปข้างหลังได้ตลอดเลยมีรายงานมาอย่างนี้เลยเาจากรายงานตอบอ่ะ โจยิงยกมาทางตำบลยูสูโจยิวยกมาทางตำบลตุงเขา้าโจจิงยกมาทางนามกุลสามแม่ทัพใหญ่ร่วมแสรายงานต่อไปว่าไม่รู้ว่าจะมาทําประการใดแต่ยกเข้ามาจะใ ก, กล้แดนเราอยู่แล้วนี่รายงานมาอย่างนี้ลกสุนแม่ทัพมุง่ง ใบยีมัก็วเราะเลยทีเดียวแล้วก็ทูลพระเจ้าสุนกวนว่าเหมือนหมายหเหมือนหมายคือเหมือนดังที่เขาได้ขาดหมายขาดคะนาการไปทุกอย่างเลยเขาบเจ้าจะรับรบกับพระเจ้าโจผีเองมีลรสุนรับอาสาเองอีกเลยและบัตรนี้นีไ้ได้มีคุณนางผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้แก่ผู้น้อยผู้ยาวทัดทานแต่ประการใดเลย หลวพู ก, ก็จัดแจงทัพเป็นสามทัพให้ลิฮอมคุ้มฐานไปรับกองทัพโจโยูณะตำบลสงเเข้าให้จูกัดจินพี่ชายขงเบ่งคุ้มฐานไปรับทัพโจโกินทางน้ำกุมให้จูหวนคุ้มฐานไปรับกองทัพโจจินณทางยูสูแล้วว่าเรา จะยกหมุนท่านไปข้างหลังฝ่ายพระเจ้าโจผีอากราบขอผ่านฝ่ายพระเจ้าเหล่าปีเล่าปีอ่าสิ่งไปอยู่เมืองเตกเตะและวิตกกังวลถึงฐานทั้งปวง ให้จโร่งจโร่งอาสาเอาไปเอาข่าวจโร่งก็พางงอปั้นมาถึงแล้วก็ได้ไายถามการถึงการที่รบก็ได้แจ้งว่าทหารล้รมตายในครั้งนนมากมายนะพระเจ้าราปีก็คิดสงสารทรงกันแสงร่ำให้ร่ำไรทีเดียวข้างฝ่ายมาเลียง มาเลี้ยงสิ่วาดแผนที่ไปลเสยชวนเอาถูกของเบงเฮกกลับมาเนี่ยการเดินทางไปการเดินทางกลับเนี่ยมันกินเวลามากมายเป็นกองทัพแตกพ่ายเรียบแล้วมาลีงสิ่งของสื่อของเบงกลับมามาถึงกลางทางก็มาพบทหารที่แตกหนีมาบอกว่าบัดนี้พระเจ้าเราปีแตกหนีไปอยู่เมืองเป๊กเป๊ มาเรียนรู้จริกดรีเปลี่ยนเส้นทางขับม้ารีบไปทางเมืงเป๊ะๆครั้นไปถึงก็เข้าไปคำนับพระเจ้าเราปีภูิความซึ่งเราปีสั่งมากับหนึงสือแผนที่นั้นถวายพระเจ้าเราปีฑได้ฟังมาเรียนและได้ดูหนังสือมันแล้วก็จริงว่าเมื่อเรามาตีมืองการสั่งนี้คงเบื่อผู้อาจารย์ ก็ได้ห้ามเราแล้วเราก็มีฟังขืนยกทัพมาเป็นเสียทัพและเสียฐานทั้งปวงก็เพราะเราประมาทเราผิดเองเราผิดเองแล้วในครั้งนี้ครั้งเราจะกลับ